ทรงอนุญาตนมเปรี้ยวพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีเป็นไข่อขอกปากคอนมเปรี้ยวมาฉันได้แล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้